ไม่เหมือนเคยแม้ว่าเธอไม่บอกกันแม้ว่าเธอไม่พูดเลยแต่ที่เธอนิ่งเฉอมันฟ้องใจเธอมีความลับในหัวใจปิดไว้เธอ กำลังรักใครอย่าเก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนานใจยิ่งนานเท่าไรยิ่งทรมานอย่าเก็บเอาไว้เลยคำรำลาที่เธอต้องการไม่รักไม่ต้องสัมสารพูดมันออก ใจฉันคงต้องยินยอมต้องทำใจพร้อมยอมรับมัน mm hmm. เธอมีใครยอย่าหลอกฉัน mm hmm. เธอจะไปพูดกัน mm hmm. หนึ่งคำเพียงเท่านั้น mm hmm. แค่นี้ก็พอ เข้าใจเมื่อเธอไม่รักกันอยู่เก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนักใจยิ่งงานเท่าไรยิ่งทรมาร์เยอะเก็บเอาไว้เลยคำรุ่ลาที่เธอต้องการไม่รักไม่ต้องสัมสาร And all my. เธอจงรีไปฉันเข้าใจเมื่อเธอไม่รักกันอย่าเก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนาใจยิ่งนานเท่าไรยิ่งทอรมาญอย่าเก็บเอาไว้เลยคำรํำลาที่เธอต้อง สารพูดมันออกมาเยี๋เก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนักใจยิ่งนานเท่าไรยิ่งทรมาร์ดเดอกเก็บเอาไว้เลยคำรําลาที่เธอต้องการไม่รักไม่ต้องสองสารพูดมันออกมา And oh.